ยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเย่อหยิ่งไม่ยอมกลับตัวไม่ขอขมาพวกภิกษุยังด่าบริพาสการกาสงใส่ความว่าทำเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวหลีกไปบ้างศึกไปบ้างจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของโมคคะบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรภิกษุทั้งหลายชไหนโมคคะบุรุษเหล่านั้นถูกสงลงปรับภาชนียกรรมแล้วยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเยื่อหญิงไม่ยอมกลับตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่าบริภาสการกะสงใส่ความว่าทำเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวหลีกไปบ้างสึกไปบ้างภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส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 สงจงระงับปปพาชนิยกรรม